พวกเรานะส่วนใหญ่ที่นี่จะว่าไปแล้วนี่ก็เป็นพวกหนีร้อนมาพึ่งเย็นนะบางคนอาจจะตั้งใจมาแค่ไม่กี่วันนะบางคนตั้งใจจะหนีร้อนนะเป็นเดือนหรือว่าเป็นปีร้อนในที่นี่หมายถึงสถานที่เช่นบ้าน หรือว่าสิ่งแวดร้อมที่เราอยู่ประจําที่ว่าร้อนนี่นะไม่ใช่ร้อนกายนะหมายถึงความร้อนใจบางคนก็มีเรื่องวุ่นวายใจที่บ้านบางคนก็มีความรุ่มร้อนใจนะในที่ทำงานก็เลยอยากจะมา พบกับความสงบนะที่นี่ร้อนเนี่ยจะหมายถึงวิถีชีวิตด้วยก็ได้นะไม่ใช่แค่สถานที่อย่างเช่นวิถีชีวิตแบบคารวะนะนะที่ต้องทามาหากินเราก็ต้องตื่นรนหางานหาเงินก็ต้องมีอะไรให้เหมือนคนอื่นเขานะอยาจะได้ ไม่เป็นทีอ่อับอายขายหน้าของเขานะรือว่าบางทีก็มีเรื่องกระทบกระทั่งกันเพราะวิถีชีวิตนะแบบคารวาดมันต้องนะเจอผู้คนมากมันร้อนนะก็เลยนะมาอาศัยวิถีชีวิตแบบใหม่นะก็คือความเป็นนักบวชจะเป็น พระภิกษุก็ดีจะเป็นแม่ชีก็ดีเนะีนะ่ยอาการมาเปลี่ยนวิธีชีวิตหรือเปลี่ยนเพศเปลี่ยนสถานะอันนี้ก็เพราะส่วนใหญนะ่ต้องการความสงบอย่างไรก็ตามเนี่ยนะไม่ว่าจะจากบ้านนะจากเมืองมาอยู่ป่าอยู่วัดหรือว่าจะหลีกหนีเนะีวิถีชีวิตอย่างค า, ารวะนี่มา เป็นนักบวชความสงบที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันอาจจะไม่ค่อยยั่งยืนเท่าไหร่ก็ได้นะจริงอยู่นะหลายคนเนี่ยพอปลีกเลี่ยงจากบ้านนะมาอยู่วัดนะอยู่ป่านเนี่ยมันมีความสงบนะมีความสบายใจแต่ก็อย่าไป ยินดีกัมันมากนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นความสงบชั่วคราวถึงเวลาที่เร า, เากลับไปสู่โลกภายนอกนะหรือศึกหาลาเพศนะไปเป็นครือข่ผู้คองเรือนก็อาจจะเจอนะความรุ่มร้อนในจิตใจเหมือนเดิมก็ได้จริงๆเนี่ยนะ ถ้าว่าเราต้องการที่จะมาสัมผัสกับความสงบเย็นในจิตใจอย่างแท้จริงเนี่ยนะแค่เปลี่ยนที่หรือว่าเปลี่ยนวิธีชีวิตยอย่างเดียวไม่พอนะมันต้องมีการเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยก็คือนะมาสู่การปฏิบัติเราเรียกการปฏิบัติธรรมหรือภาวนา เพียงแค่เปลี่ยนที่นะแล้วก็เปลี่ยนสถานนะแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัตินะมันก็ยังไม่มีที่พึ่งนะที่แท้จริงไอความสงบเย็นนะที่เราได้รับหรือประสบมันก็อาจจะเหมือนกับน้ำค้างก็นดนะ้น้ำค้างเนี่ยนะยอดยาเนี่ย มันอยู่ได้นะตราบใดที่ยังไม่มีแสงแดดพอสว่างนะมีแดดหรือบางทีไม่ทันมีแดดนะแค่สว่างเนี่ยมันก็เลือนหายไปละเหยหายไปงั้นลองถามใจเราเองนะว่าไอ้ที่เราสงบเนี่ยถ้าหากว่านะมีนะมันสงบเพราะอะไรนะมันสงบเพราะสถานที่ นะหรือว่าสงบเพราะว่าเรานะไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับวิธีชีวิตยอย่างคฤือหัดหรือเปล่าหรือเป็นเพราะาเราได้มีการปฏิบัติถ้ามีหลายคนนะทีนะ่เขามาวัดเนี่ยแล้วก็ไม่ไดนะ้เปลี่ยนวิธีชีวิตเป็นนักบวชยังเป็นคลือหัดเป็นครารวาสอยู่ และมานี่ก็ไม่ได้มาด้วยความตั้งใจแต่ว่าความจำเป็นอย่างเช่นเมื่อสัก20ปีก่อนนี่มีโยมผู้ชายคนหนึ่งนะก็ยังหนุ่มอยู่เลยแกมาวัดนะพี่สาวพามาเพราะอะไรนะเพราะว่ากำลังหนีหนี้นะหนีเจ้านีทำการค้าแล้วปรากฏว่า ลูกค้าเนี่ยนะไม่ยอมจ่ายเงินเอาของไปแล้วก็เชิดหนีไปเลยเขานี่ก็เลยไม่มีเงินที่จะมาจ่ายเจ้าหนี้ไม่รู้ทํางานเลยนะก็ต้องหนีมาหนีมาที่นี่เพราะว่าที่นี่เนี่ยมันเจ้าหนี้คงจะตามหาตัวไม่เจอตอนที่มาวันแรกๆนี่แกก็ร้องไห้เลยนะ คิดถึงลูกนะลูกยังเล็กนะสองสามขวบยังน่ารักอยู่เลยจําใจนะต้องทิ้งลูกนะทิ้งเมียยังพอว่าแต่ทิ้งลูกนี่มันทำใจยากนะไม่ได้คิดอยากจะมาวัดเลยนะไม่มีศรัทธานะในการอยู่วัดแต่ว่าจําเป็นสมัยนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีโทรศัพท์มือถือนะอยากติดต่อ คนที่บ้านอยากจะคุยกับลูกก็ไม่รู้จะคุยยังไงจะออกจากวัดก็เสียงเหมือนกันต้องไปโทรศัพท์ทางกกยก็นอนออกไปท่ามาไฟโทรศัพท์สาธารณะยังไม่มีเลยแถวนี้กกอยู่ด้วยความทุกข์นะแต่พอผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยแกก็เริ่มทำใจได้อยู่วัดเนี่ยมั น, มนว่างสมัยก่อน สมัยนั้นเนี่ยพระระโยงก็ไม่ค่อยเยอะสถานที่ที่แกอยู่ก็คือหอตไตรแต่ว่าหอตไต้ในสมัยก่อนนี่มันอยู่บนเขานะไม่ได้อยู่ตรงนี้เล็กประมาณครึ่งหนึ่งของที่นี่อยู่หอตไตคนเดียววันๆก็ไม่มีอะไรทําก็ทําความสะอาดขัดนะใบไม้ลอดหอตไตแล้วก็เช็ดถูสาราเช็ดทุกวันเลย ทั้งเช็ดทั้งถูทำไปทำไปนะสงบใจมันสงบนะที่คิดถึงลูกก็เบาบางนะที่เคยรู้สึกเงาว้าเวมันก็เปลี่ยนไปกลายเป็นความรู้สึกวิเวขึ้นมาพอที่ที่สองที่ที่สามเนี่ยใจก็น้อมนะนะไปในทางนะาการบวชนะพออยู่ครบเดือนก็ขอบวชเลย ทางที่ไม่เคยคิดว่าอยากจะบวชนะแต่ว่าตอนนั้นใจมันสงบแล้วมันนิ่งแลนั่นที่เป็นความสงบที่ไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติเลยนะนะเพียงแค่เปลี่ยนที่นะแล้วก็เปลี่ยนวิถีชีวิตนะจากชีวิตพ่อค้านะที่ต้องวิ่งวุ่นหาเงินแลกเช็คนะมาเป็นสิทธิวัดนะแค่เป็นสิทธวัดเท่านั้นแหละมันก็สงบแล้ว ยังไม่ทันแต่ปฏิบัติเลยแต่ก็อย่างที่บอกความสงบแบบนี้มันชั่วคราวนะนะพอกลับไปอ่านะสู่บ้านสู่เมืองกลับไปสู่วิธีชีวิตทาที่เคยเป็นเคยทำมันก็จะว้าวุ่นใหม่เนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันต้องปฏิบัติด้วยนะต้องภาวนาต้องเจริญสตินะอ่านะนะพูดงานคือต้อง นะมีธรรมะเป็นที่พึ่งนะหนีร้อนมาพึ่งเย็นเนี่ยจะให้ดีเนี่ยนะมันต้องหมายถึงการหนีโลกนะมาพึ่งธรรมโลกนี่ก็หมายถึงชีวิตทางโลกนะหรือว่าความสุขทางโลกนะซึ่งมันร้อนนะมันวุ่นวายนะความสุขทางโลกมัน อาจจะมีสเสน่ห์นะสัมผัสง่ายเข้าถึงเร็วนะแต่ว่ามันก็ตั้งแรกมาด้วยนะความว้าวุ่นเขาเรียกว่าอ่าสุขที่เจอไปได้วยทุกข์แล้วไปเป็นสุขที่หายหรือว่าจางเร็วนะเสพง่ายนะแต่หายเร็วและพอหายไปนี่ก็ทุกข์นะ ก็ต้องไปหามาเสพใหม่นะมันคล้ายๆกับยาเสพติดนะตอนเสพเข้าไปโอ้มันหายมันเคลิ้มมีความสุขแต่พอฤทธิยาหมดมันก็กลับมาสู่วงจรความทุกข์ก็ต้องเสพใหม่ต่างก็ตรงที่ว่าไอฤทธิยาเนี่ยมันหายเร็วนะส่วนความสุขนะแบบทั้งโลกนี่มันหายช้าหน่อยนะแต่มันก็เร็วเหมือนกันนะ คือเสพไปนานๆมันก็เบื่อมันก็จืดจางนะต้องหาใหม่ต้องมีใหม่ไม่จะเป็นวัตถุสิ่งของหรือไม่แต่คนเช่นคนรักนะตอนที่รักกันใหม่ๆมันก็มีความสุขมากนะนะยิ่งพอได้อ่มีการอสัมผัสกันในทางคามทางกายเนี่ยมันก็ยิ่งสุขเข้าไปใหญ่ แต่ว่ามันก็จืดจางเร็วนะคบกันบางที3มเดือนก็เบื่อแล้วนะความรู้สึกมันแตกต่างจากวันแรกนะที่รู้จักหรือว่าที่ได้สัมผัสกันนะเรียกว่ามันเข้าถึงง่ายนะแต่ว่าจืดจางเร็วบางคนอาจจะนานหน่อยนะเป็นปีสมปีแล้วก็เบื่อนะไปหาใหม่ก็คิดว่าคนเนี้ยใช่แน่ นะแต่ว่าพออยู่ไปสัก3ามสเดือนหรือว่าปีหนึ่งเบื่ อ, อแล้วนะเปลี่ยนเปลี่ยนคนนะเปลี่ยนแฟนไม่ต่างจากเปลี่ยนเสื้อผ้าที่จริงเสื้อผ้านี้ไม่ทันซื้อนะไม่ทันใส่นะแค่ซื้อไวนะ้ตอนซื้อก็ดีใจมีความสุขแต่แขรนเอาไว้ไม่ทันใช้ไม่ทันสวมผ่านไปเดือนสองเดือนเบื่อแล้วนะอยากจะได้โตใหม่แล้วนะ อันนี้เราเป็ น, นความสุขนะอย่างชาวโลกนะหรือแบบโลกโลกซึ่งมันสุกเร็วนะแต่มันก็เบื่อเร็วะเรียกว่าสุขชั่วคราวนะแถมตามไม่ได้ทุกที่ยาวนานนะเพราะต้องคอยรักษาต้องคอยระมัดระวังนะไม่ให้มันสูญหายไป ท, ทั้งทั้งที่เบื่อนะแต่ก็ไม่อยากให้ใครเอาไปน ะ, นะมีรถ มีบ้านนะบางทีก็เบื่อบ้านเบื่อรถอยากได้คันใหม่หลังใหม่แต่ที่ไม่อยู่นี่ก็ยังหวงนะใครเอาไปนะก็ไม่ยอมนะทุกข์ถ้ามันสูญไปอันนี้เป็นธรรมชาตินะของของความสุขทางโลกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอดูไปนานมันก็เบื่อบางทีมันก็ร้อน มันก็ทุกนะนั้นถ้าจะหนีสิ่งนั้นเนี่ยนะมันต้องเจอหรือเข้าหาสิ่งที่ดีกว่านะนะเรียกว่าหนีร้องหนีหนีโลกมาพึ่งธรรมการทำในที่นี้นะไม่ได้หมายถึงวัดนะไม่ได้หมายถึงเพศความไปนักบวชนะแต่หมายถึงการปฏิบัตินะมาอยู่วัดแต่เข้าไม่ถึงธรรมก็มีนะ เพียงแค่สบายนะมาบวชเป็นพระแต่ว่าเข้าไม่ถึงธรรมก็ได้ถ้าไม่ปฏิบัติแต่บางทีก็ยังมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนชาวโลกนะนั้นเนี่ยต้องปฏิบัติเนี่ยอันนี้เรียกว่านะหนีโลกมาพึ่งธรรมอาการปฏิบัติเนี่ยนะมันก็ทำให้ใจเนี่ยสงบนะเป็นความสงบ นะที่ยิ่งกว่าการเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางเลือกเปลี่ยนเครื่องแบบเปลี่ยนเพศเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างที่การปฏิบัติเนี่ยนะเวลาเราปฏิบัติเนี่ยถ้าเราพบความสงบเนี่ยมันก็ต้องสังเกตนะว่าไอ้ความสงบที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันสงบเฉพาะเวลาปฏิบัติหรือเปล่านะเช่นเวลาไปอยู่กุตติภาวนาบางคนนั่งหลับตา เดินจงกรมอยู่คนเดียวมันสงบแต่พอมาเจอผู้คนเนี่ยไม่สงบลนะนันี่ขนาดผู้คนในวัดนะไม่ใช่คนนะตามตลาดนะหรือวันที่ที่ทำงานนะคนในวัดนี่ก็อาจจะไม่ค่อยมีเรื่องเกี่ยวข้องกับเราเท่าไหร่เจอกันก็เช้าเย็นนะไม่ได้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องไม่เหมือนคนนะในที่ทำงานหรือโลกภายนอก อันนั้นนี่เรียกว่าเป็นคนแปลกหน้ามุงทีก็ตัวใครตัวมันนะขนาดคนในวัด น, นี่ก็ยังมีความเฟื่อเฟื่อมีน้ำใจแต่พอออกจากกุฏิไปเจอคนใจไม่สงบแล้วนะให้หลองสังเกตว่าเป็นเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ยังเรียกว่ายัางเป็นความสงบที่เปราะบางนะเป็นความสงบที่ยังไม่น่าไว้วางใจ มันเป็นความสงบนะที่อัตมาเรียกว่าเกิดจากการไม่รับรูนะ้เช่นไม่รับรู้ทางตาเพราะปิดตาไม่รับรู้ทางหูเพราะว่าไปอยู่ในกุติที่มันเงียบสงับรวมทั้งไม่รับรู้ข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ภายนอกเพราะาปิดโทรศัพท์นะไม่ไม่เปิดโทรทัศน์ไม่มีวิทยุนะอย่างอยู่ที่บ้าน และแถมยังใช้วิธีการบังคับจิตไม่ให้คิดนะบังคับจิตให้มันเพ่งอยู่ที่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งนะเช่นที่ลมหายใจหรือที่ท้องอันนี้มันก็ทําให้ใจเนี่ยสงบได้เพราะว่าใจมันก็ไม่ไปคิดอะไรหรือว่าไม่มีอะไรมากระทบนะแต่พอออกไปเจอการกระทบนะเจอรูปลดกินเสียงนะ เอาแค่นี้พอยังไม่ทันต้องเจอสัมผัสนะใจก็กระเพื่อมแล้วเกิดความรู้สึกไม่สงบความรู้สึกวุ่นวายอย่างนี้ก็ยังไม่ดีนะนาะ ต, ต้องสามารถฝึกจิตแล้วก็รักษาใจให้สงบได้แม้ว่ามีอะไรมากระทบนะ รูปกระทบตานะเสียงกระทบหูนะแต่ว่าใจสงบได้สงบเพราะอะไรนะสงบได้เพราะว่ารู้ทันอาการของใจเวลามันกระเพื่อมไม่ว่ายินดียินร้ายนะเสียงดังแล้วใจกระเพื่อมเนี่ยอันที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าเสียงนะแต่มันเป็นเพราะ เราวางใจไม่ถูกนะอย่างที่พูดเมื่อเช้าเนี่ยนะพอได้ยินเสียงเนี่ยนะเกิดความไม่ชอบมีอาการผลักใสเสียงนั้นไอ้ตรงนั้นแหละนะที่ทําให้ใจเนี่ยเป็นทุกข์หมุดหงิดใจทุกข์ไม่ได้เพราะเสียงนะแต่ใจทุกข์เพราะว่าไปผลักใสต่อสู้นะกับเสียงที่มากระทบ รวมทั้งภาพนะที่ได้เห็นทางตาด้วยอันนี้จะรวมถึงอากาศด้วยนะอากาศร้อนอากาศหนาวที่มันกระทบกายนะกายร้อนนะหรือกายหนาวมันไม่ได้แปลว่าใจต้องทุกข์เสมอไปนะแต่ถ้าใจทุกข์เมื่อไหร่เนี่ยนะมันเป็นเพราะว่าใจเนี่ยมันไปยินร้ายนะ ความหนาวที่เกิดขึ้นกับกายมันไม่พอใจมันบน่นมันวอยวายตีโพยตีพายนยะเช่นเดียวกันเวลาจิตใจว้าวุ่นนะเมื่อเจอใครบางคนหรือเมื่อเจอหลายๆคนในวัดเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นเพราะเขาเหล่านั้นนะที่ทําให้ใจทุกข์แต่เพราะใจของเราเนี่ยวางไว้ไม่ถูกอาจจะเป็นเพราะไม่อยากเจอคนเยอะไอ้ความไม่อยากเนี่ยนะ พอมันเจอสิ่งที่ไม่สมอยากหรือว่าไม่ตรงกับความอยากเนี่ยนะมันจะงุ่นหงิดขึ้นมาเลยแล้วเราก็ไปคิดว่าเป็นเพราะคนเยอะเนี่ยทาให้ใจว้าวุ่นแต่ที่จริงมันเพราะความไม่อยากเจอคนไม่ชอบนะความรู้สึกลบนะมากกว่าเนี่ยไอ้ตรงนี้เราต้องรู้ทันนะส่วนใหญ่ไม่รู้ทันนะเราก็เลยงุนหงิดเพอมันงุนหงิดเข้าก็ไปทั่วว่าคนเยอะ ให้ลองมาดูใจของเรานะว่าเป็นใจของเราเนี่ยมันมันเป็นกลางต่อสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปล่ามันบนมันโวยวายตีโวยตีพอยอดครวญไห ม, มันใสสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปล่าตรงเนี้นะจะรู้ทันได้ต้องมีสติต้องมีสติเพราะสตินี่มันเหมือนกับตาในที่ทําให้ได้เห็นอาการของตายอาเห็นอาการของใจนะ เห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นลมต้องเห็นความคิดนะที่มันคิดลบคิดร้ายบางทีก็ไปนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตแล้วก็จับจ้องอยู่แต่เรื่องร้ายๆที่เคยประสบบางทีก็ไปนึกถึงเหตุการณ์ในอนาคตแล้วก็ปรุงแต่งเป็นเรื่องลบเรื่องร้ายแล้วก็เลยเป็นทุกข์ซะเองดังั้นถ้าเรามีสติรู้ทันนะอาการของ ใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความคิดอารมณ์หรือท่าทีปฏิกิริยาในายามที่มีสิ่งมากระทบไม่ว่าทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจก็แล้วแต่งั้นถ้าเรารู้ทันเนี่ยนะใจมันจะกลับเป็นปกติแล้วมันก็จะสงบได้นะและการที่เราจะมีสติไว้อย่างนี้นะมันก็ต้องผ่านนะผ่านการเจอสิ่งกระทบหรือว่า เจออารมณ์นะที่มันพุ่งขึ้นมาเจอความฟุ้งซ่านนะที่เกิดขึ้นแต่หลายคนเวลาปฏิบัติเนี่ยเพราะว่าต้องการความสงบเลยไม่ชอบความฟุง้งเวลามีอารมณ์ใดเกิดขึ้นนะก็หงุดหงิดขึ้นมาไม่พอใจว่าทำไมมันเกิดขึ้นที่จริงเนี่ยนะมันมีข้อดีนะก็คือมันเป็นการบ้านที่ทำให้สติเรา ว่องไวขึ้นเราจะรู้ทันความคิดและอารมณ์ต่างๆเนี่ยได้ไวก็ต่อเมื่อเจอมันบ่อยๆทีแรกตอนเจอมันนะก็ไม่รู้ทันนะปล่อยให้มันลุกมันลามยืดยาวแต่พอเราเจอบ่อยๆเจอบ่อ ย, อยๆเนี่ยนะสติเราจะไวขึ้นเหมือนนักชกนะที่เจอคู่ซ้อมที่เก่งแล้วก็ ตอนแรกๆ ก, ก็ไม่ทันนะไม่ทันคู่ซ้อมนะก็โดนโชคโดนโดนยัดไปแต่พอซ้อมบ่อยๆซ้อมบ่ก็รู้ทางรู้ทางก็ทำให้หลบได้ไวอย่าไปรังเกียจนะอย่าไปหงุดหงิดนะเวลามันมีอารมณ์ต่างๆ ความหงุดหงิดความเบื่อความเศร้าหรือว่าความขุ่นมัวให้มองว่าเนี่ยนะเราจะรู้ทันความหลงได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเจอตัวหลงบ่อยๆหรือที่จริงเนี่ยจะรู้ทันความหลงได้ก็ต้องมีความหลงเกิดขึ้นก่อนเราถึงจะรู้ทัน ถ้ามมีความหลงเกิดขึ้นแล้วเราจะรู้ทันได้อย่างไรไอ้ความหลงก็คืออารมณ์ที่ว่านี่แหละรวมต้องความยินดีนะความดีใจให้เราเนี่ยลองนะลองคิดว่าเนี่ยการที่รู้ทันเนี่ยมันเป็นเรื่องสนุกอย่าไปอย่าไปรู้สึกแย่นะเวลามันมีอารมณ์พวกนี้เกิดขึ้นแต่ให้รู้สึกว่าเออการรู้ทันเนี่ยเป็นเรื่องสนุก นะถ้าจะประสงค์บริบุรณ์โนนะท่านก็สอนเด็กนะให้มีสติรู้ตัวนะมีกิจกรรมหลายอย่างกิจกรรมหนึ่คือกิจกรรมนะจับผีนะจับผีนะผีก็มี3ามตัว น, นะนะผีโกรธผีโลภผีหลงนะเวลาเด็กคนไหนบอกจับผีได้เนี่ยท่านก็จะให้รางวัล น, นะมารางวัลนะเป็นพวงกุญแจบ้างเป็นอ่าเป็นของเล่นบ้าง นะนะเด็กบางคนก็บอกว่าเนี่ยอยากจะไปล้างมือแต่พอไปถึงห้องน้ำจำไม่ได้ว่าเข้าห้องน้ำเนี่ยเพื่ออะไรไม่ได้ปวดหนักปวดเบาสักหน่อยเราเข้ามาทาไมนะอ่าอันนี้ผีหลงแล้วนะลืมไปนะว่าเข้าห้องน้ำทำไม่นะวางปากกาวางแว่นตาเสร็จแล้วพอจะใช้ นึกแม้ว่าวางตรงไหนอ่านี่ผีหลงแล้วะมารายงานนะก็ได้รางวัลไปผู้ใหญ่ก็สนใจนะมาเล่นเกมจับผีไอ้เรื่องที่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าอายในความเข้าใจวังค์้นนะเช่นโกรธนะโลภหลงเนี่ยมันกลับกลายเป็นเรื่องสนุกไปนะถ้าหากว่าสามารถจับมันได้จับผีโลภผีโกรธผีหลงบางทีเด็ก พี่น้องสองคนก็มาเล่นแข่งกันนะว่าใครจะจับผีได้มากกว่ากันนะไอการมีผีเนี่ยนะโลภผีโกรธผีหลงเนี่ยนะบางคนเค่เป็นเรื่องไม่ดีแต่พอมาทําเกมนี้นะมันกลับสนุกนะั่ในการจับผีนะและพอจับผีได้บ่อยนะได้มากเนี่ยมันก็จะจับได้ไวขึ้นนะการจับผีกลายเป็นเรื่องสนุกให้เราลอง นะนึกแบบนี้บ้างนะว่าเอ อ, อการรู้ทันความคิดฟุ้งซ่านนี่มันเป็นเรื่องสนุกแต่เราวางใจไม่เป็นไงพอมันมีความฟุง้งความหลงนะเราก็ไม่พอใจต้องเปลี่ยนหมายว่าเออมันมีก็ดีนะเราจะได้นะจับผีตัวนี้นะหรือว่าเราจะได้รู้ทันมันนะให้รู้สึกสนุกกับการรู้ทันอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ บวกหรือลบนะีแล้วอย่างนี้แหละจะทําให้สติเราไวขึ้นไวขึ้นว่องไวแล้วต่อไปพอมีอะไรมากระทบนะมากระทบทางตาทางหูนะทางกายทางปากทางลิ้นใจก็ไม่กระเพื่อมหรือกระเพื่อมก็กระเพื่อไปเดียเด๋ยวแล้วมันก็สงบก็กลายเป็นว่าสามารถจะรักษาใจให้สงบได้ ไม่ว่าอยู่ท่ามกลางผู้คนนะไม่ว่าเจอผู้เจอคนเจองานเจอการนะใจก็สงบได้ไม่ใช่ว่าจะต้องสงบเฉพาะเวลาปิดหูนะปิดตาหรือว่าเก็บตัวอยู่ในกุตติไอความสงบที่เกิดจากการรู้นะคือรู้ทันอารมณ์นะหรือสงบ ท, งทั้งทั้งที่ตาเห็นหูได้ยิน หรือว่าเจอผู้เจอคนเนี่ยอันนี้มันจะทำให้เรานะสามารถจะสงบได้นะในทุกที่นะทุกเหตุการณ์ก็ถึงเวลานะเราไม่ต้องหนีร้อนหนีโลกแล้วล่ะนะแต่เดินนี่ต้องหนีร้อนมาพึ่งเย็นหรือว่าหนีโลกมาพึ่งธรรมนะแต่ต่อไปเนี่ยนะแม้เรากลับไปสู่โลกนะ กลับไปสู่บ้านกลับไปสู่ที่ทำงานใจเราก็สงบได้นะหรือว่าสงบกว่าตอนก่อนปฏิบัติกลับไปที่บ้านนะเราก็รักษาใจสงบได้นะมีงานมีการงานก็กเป็นงานเดิมอาจจะยังมากเท่าเดิมนะแต่ใจสงบปัญหาก็ยังมากเท่าเดิมนะแต่ว่าใจเนี่ยไม่วาบุญละ ใ้คนที่ไปเจอก็เป็นคนเดิมนิสัยเหมือนเดิมนะยังไม่น่ารักเหมือนเดิมนะแต่ว่าใจเราก็สงบแล้วบางทีเจอลูกเจอสามีเจอภรรยานิสัยก็ยังเหมือนเดิมนะแต่ว่านะใจเราไม่ว้าวุ่นไม่ไม่กุ้มใจแล้วนะเพราะว่าเราเนี่ยนะมีสติรู้ทันอารมณ์แล้วก็รู้จักวางใจให้ถูก ก่อนมีแต่คำว่าบนไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบไม่เอาไม่เอาไม่ไหวไม่ไหวไเพราะคิดแบบนี้แหละเพราะมีท่าทีแบบนี้แหละนะมันจึงทุกข์แต่พอยอมรับมันได้นะเห็นว่าเป็นธรรมดารู้สึกว่าไหวเสมอนะถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมคราวนี้ใจสงบและนะมันเบาลงนะคนก็คนเดิมปัญหาก็ยังเหมือนเดิมงานก็ยังมากเหมือนเดิม แต่ใจสงบได้เพราะอะไรเพราะว่านะเรามีสติมากขึ้นเรานะเรารู้เท่าทันนะไม่ได้รู้เท่าทันคนอื่นนะแต่รู้เท่าทันใจของเร า, เาถึงตอนนี้เนี่ยนะมันก็เรียกว่ากลับไปอยู่กลับไปสู่โลกนะแล้วก็ยังพบความสงบได้ไม่ใช่ว่ากลับไปสู่โลกแล้วมันจะร้อนนะเหมือนเดิมนะ นะไอแบบนี้แหละนะที่ทำให้เราไม่จำเป็นต้องหนีโลกมาพึ่งธรรมล้เราไปอยู่โลกนะแต่ว่าใจเราไม่ร้อนเพราะว่าธรรมเนี่ยนะเราสามารถจะสร้างขึ้นหรือสถาปนาขึ้นในใจของเราแลนะแต่ก่อนนี้ต้องมาพึ่งธรรมที่วัดนะต้องมาพึ่งความสงบที่วัดนะแต่ธรรมเนี่ยนะมันไม่ได้อยู่ที่วัดนะ สถานที่ที่เหมาะกับเราสถานที่ที่เหมาะกับธรรมเนี่ยนะก็คือใจของเรานะถ้ายังคิดว่าธรรมอยู่ที่วัดเนี่ยมันผิดแล้วธรรมเนี่ยนะมันต้องอยู่ที่ใจเราแล้วนั่นคือที่ที่เหมาะที่สุดนั่นะถ้าใจเรามีธรรมเนี่ยนะไปอยู่โลกแม้โลกจะร้อนแต่ใจก็เย็นนะนะให้การปฏิบัติของเรามันต้องมาถึงขั้นนี้ไม่ใช่ว่าหนีโลกมาพึ่งทราแล้ว จบนะมันไม่ใช่นะมันต้องกลับไปสู่โลกแต่ว่าใจเย็นละนะไม่ร้อนไอการหนีนะไม่ว่าหนีโลกหรือว่าหนีปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่วิธีนะของชาวพุทธนะแต่มันวิธีของชาวก็คือไปเผชิญนะแล้วก็ไปอยู่แต่ว่าใจไม่ทุกข์ ไปเจอปัญหาแต่ไม่แบกมันนะใจก็เลยไม่ทุกเนะี่ยเพราะรู้จักนะรู้จักวางใจให้ถูกไปเจอทุกนะแต่ใจไม่ทุกนะไ ป, ไปเจอทุกนี่อาจจะหมายถึงปัญหางานการอาจจะเรื่องความเจ็บความป่วยนะไปเจอทุกแต่ใจไม่ทุก อยู่โลกนะแต่ใจเย็นนะเพราะว่ามีธรรมะเนี่ยมันอยู่ในใจแล้วงันจะไปคิดหนีท่าเดียวนะแม้แต่หนีกิเลสเนี่ยหลวงพ่อช้างนี่ท่านพูดไว้ดีมากเลยนะว่าไม่ใช่ใหเรานียกิเลสและไม่ใช่ให้กิเลสหนีเราแต่ให้อยู่กับมันอย่างมีสตินะให้รู้จักอยู่กับมันอย่างมีสติเหมือนกับน้ำ กับใบบัวนะน้ําเนี่ยมันอยู่บนใบบัวนะแต่ว่ามันซึมเข้าใบบัวไม่ได้น้ําเนี่ยจะเปลี่ยนเหมือนกับความทุกข์หรืออาจจะเปลี่ยนมืากิีเลสนะใบบัวนี่ก็เปลี่ยนเหมือนกับใจที่ฝึกไว้ดีแล้วนะนกิีเลสเนี่ยมันประชิดใจนะแต่ว่ามันทําอะไรใจไม่ได้นะก็เมื่อความทุกข์นะที่มันเกิดนะ กับเราแต่ว่ามันเข้าไปทะลุทะลวงนะจิตใจเราไม่ได้ให้ความทุกข์ก็เป็นแค่ทุกข์กายหรือว่าทุกข์ของสิ่งของนะที่มันเสื่อมไปเสียไปทรัพย์สมบัติที่สูญหายไปนะั่นให้เราร ะ, ะลึกนะว่าการปฏิบัติหรือท่าทีของชาวพุทธเนี่ยนะมันไม่ใช่หนีนะมันไม่หนีแม้กระทั่งร้อนนะ มันไม่หนีร้อนแต่มันสามารถจะอยู่กับร้อนได้แต่ใจเย็นไม่หนีกิเลสนะแต่ว่าสามารถอยู่กับกิเลสได้โดยที่กิเลสมันทําอะไรไม่ได้อันนี้พูดสําหรับคนที่ยังเป็นผู้ทุชนนะที่ยังมีกิเลสนะแต่ว่าพเรชาเนี่ยท่านก็ปฏิบัติจนกระทั่ง ก, งกิเลสก็ไม่มีที่ตั้งแล้วเพราะว่าไอ้ตัวกูรมันไม่มีนะจะให้กิเลสนี่เข้าไปคลองเข้าไปยึด เหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรที่จะให้ฝุ่นมาเกาะนะถ้ายังมีอะไรสักอย่างเนี่ยเช่นพื้นนะหรือว่ากระจกนะฝุ่นมันก็ยังเกาะได้แต่พอไม่มีอะไรสักอย่างเนี่ยฝุ่นก็ไม่รู้จะเกาะอะไรถ้าไม่มีตัวกูสักอย่างเนี่ยทุกเนี่ยมันจะไปไปเกาะกับอะไรนะมันก็มีแต่ความทุกแต่ไม่มีผู้ทุกนะหรือว่ามันมีแต่กิเลสแต่ไม่มีนะ ผู้มีกิเลส ก, ก็ได้น ะ, ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะให้เราเราลึกว่านะอย่ากห น, นีอย่างเดียวนะอาจจะห น, นีเพียงแค่ชั่วคราวนะหนีร้อนมาพึ่งเย็นนะหนีโลกมาพึ่งทำแต่สุดท้ายเนี่ยเราต้องเอาทำเนี่ยนะอยู่กับใจเราและทำนั่นแหละที่ทําให้เราอยู่กับโลกได้โดยที่ใจยังเย็นอยู่นี่ก็เปรียบเหมือนกับว่าเหมือนกับริดงูนะนิดงูเนี่ยมันอยู่กับมันอยู่กับเคี่ยวงูได้นะ ลิ้นงูกับเขี้ยวงูเนี่ยเขี้ยวงูนี่มันก็สามารถจะทําให้ลิ้นงูนี่เป็นแผลนะแต่ว่าลิ้นงูนี่ก็สามารถอยู่กับเขี้ยวงูได้โดยโดยที่ไม่เป็นอะไรอันนี้ก็เปรียบว่าคนเนี่ยที่อยู่ในโลกนะคนอยู่ในโลกนะแต่ว่าโลกทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่าใจมันอยู่เหนือโลกแล้วตัวอยู่ในโลกแต่ใจอยู่เหนือโลกโลกจึงสามารถไม่สามารถทําให้ใจเป็นทุกข์ได้ เพราะนั้นเนี่ยวันนี้เราหนีร้อนมาเพิ่งเย็นนะแต่ต่อไปเนี่ยให้เราไปอยู่ร้อนโดยที่ใจยังเย็นได้เนี่ยเนี่ยสำคัญเอาละมาพูดกันเท่านี้กลับห้อ